ธรรมะของพุทธเจ้านะถ้าเราเข้าใจรู้หลักของการปฏิบัติแล้วลงมือทําทําถูกขยันทําได้ผลเร็วนะได้ผลแต่ธรรมะถ้าไม่ไม่รู้หลักนะทําผิดนะทุ่มเทแทบตายแทนที่จะได้ผลบางที่หลงเตลดิดเปิดเปิงไปทางอื่นเลยก็มีการรู้ทิศทางของการปฏิบัติเนี่ยจำเป็นมาก ก่อนที่เราจะเกิดปัญญารู้แจ้งได้ตัวสัมมาทิฏฐิแท้ๆขึ้นมาในภาคปฏิบัติต้องมีสัมมาทิฐิในภาคปริยัติก่อนรู้หลักว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรฉันสอนอะไรสอนเพื่ออะไรนะยงต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติศา ส, สนาพุทธนะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีประโยชน์เลยนะเป็นแค่ปรัชญาลอยๆไปไม่ได้สาระเท่าไหร่เป็นศาสนาที่ต้องทา ทำอะไรทำสมถะทำวิปัสนาสองอย่างสิ่งที่ต้องทำถ้าพูดให้กว้างกว่านั้นกว้างกว่าการภาวนาภาวนาก็มีสมถะวิปัสนาถ้กว้างเต็มที่เลยกนะ็สิ่งที่ต้องทำนะั่คือศีลปสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาสมถะเนี่ยจะอยู่ในช่วงของจิตสิกขาแต่สมถะ จะเป็นสอนให้เรา้ตรงจิตสิกขาเนี่ยจะสอนใหเรารู้จักว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลถ้าไม่รู้จักนะลำบากในขั้นเดินปัญญาบางทีเอาจิตอกุศลไปเดินปัญญาส่วนใหญ่ที่เดินปัญญากันนะเดินด้วยจิตอกุศลจริงๆซะด้วยสิจะเดินด้วยจิตที่มีโลภะอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ ไม่รู้หรอกว่าจิตเป็นอกุศลเอาจิตที่เป็นอกุศลนี้ไปเดินปัญญามก็เป็นปัญญาอากุศลเองไม่ใช่ของจริงรอ่นะงั้นต้องแยกอะไรเป็นกุศลหนไหนเป็นอกุศลลักษณะไม่เหมือนกันจิตที่เป็นกุศลนะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะเราก็ต้องรู้จักราคะหน้าตาเป็นยังไงโทสะหน้าตาเป็นไ ง, โ, นาานไงโมหะความหลงเป็นแบบไหนโมหามีเยอะแยะหลายแบบ ความฟุ้งซ่านก็ได้ความลังเลสงสัยก็ได้นะมีหลายแบบถ้รู้ถ้ามีราคะโทสะโมหะเจออยู่จิตเป็นอกุศลแน่นอนจิตมีความอยากมีความอยากก็มีความโลภกนะ็เป็นอกุศลอยากภาวนานี่มีความโลภนะจิตที่เป็นกุศลนอกจากไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วนะจิตที่เป็นกุศลยังต้องมีความเบา ถ้าเราภาวนาเราหนักอึดๆเลยไม่ใช่ล้ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศลนน ต, มมต้มีความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกมูทุตามีมูทุตามีความนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วจิตแข็งกระด้างไม่ใช่แล้วจิตหนักหนักไม่ใช่ไม่ใช่กุศลจิตแข็งไม่ใช่กุศลนึกออกไหมเวลาที่เราหัดภาวนากันเบื้องต้นเราจะบังคับจนมันแข็งไปหมดอะ นั่นแทนที่จะภาวนาด้วยจิตที่เป็นกุศลนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะภาวนาด้วยจิตที่เป็นอกุศลจิตที่มีโลภะแล้วไปข่มตัวเองแรงๆนะข่มมากๆเครียดนะโทสะแทรกถ้าเมื่อไรจิตมีความเครียดรู้ไว้เลยว่าจิตดวนั้นก็เป็นอกุศลอีกเป็นอกุศลชนิดโทสะมูลจิตจิตมีโทสะแน่นอนเลยงั้นถ้าภาวนาแล้วเครียดเครียดขึ้นมาทําผิดแล้วล่ะอยา่าขยันเลย ขยันต่อไปก็คือขยันทําโทสะไปทําบัญหาสวรรค์วิมานไรไม่มีหรอกสวรรค์วิมานมีแต่ทําแล้วตกนรกนะพอจิตเจอด้วยโทสะจนคุ้นเคยกับโทสะเครียดตกนรกนะั่นแต่ยังไม่ตายหรือไม่ก็เป็นเปลดิดโลภภาวนามาตั้งสาวันแล้วยังไม่บรรลุสักทีอยากบรรลุเร็วๆนี่โลภภาวนาสามวันแล้วไม่บรรลุสักทีนี่โทสะ โทสะชนิดที่เรียกว่ากุกุฎ จ, จับไม่พอใจแล้วไม่สบายใจแล้วของดียังไม่ได้งั้นจิตที่เป็นกุศลนะไม่มีราคา่าไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตที่เป็นกุศลมีความเบาเรียกว่าหูตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกมูทุตาอย่างเวลาที่จิตเราเกิดความเมตตาการุณารู้สึกไหมมันนุ่ม น, นวลมันอ่อนโยนมันเบารู้สึกไหมเวลาเราเกิดความเมตตาการุณาขึ้นมาใจอ่อนโยนใจเบา ใจคล่องแคล่วไม่เสื้องซึมเหงาหงอยถ้าจิตหนักจิตแน่นก็ไม่ใช่ต้องมีละหุตาความเบามีมุทุตามีปาคุณตาความคล่องแคล่วถ้าจิตทื่อื่ซื่อบื้อทื่อื่อยู่ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีปา่าคุณตาความคล่องแคล่วในการระลึกรู้อารมณ์ต้องเปรียวไม่ใช่กิเลสมาแล้วยังไม่เห็นเลย อย่างนั้นไม่คล่องแคล่วใช้ไม่ได้นะกิเลสว่องไวมากนะเผลอแว บ, บเดียวเข้ามาครอบงำแล้วแล้วนะถ้าจิตเป็นกุศลนะคล่องแคล่วกิเลสไหลแวบบมาเห็นลกะก็เด็นออกไปเลยกระเด็นไปเองเลยจิตที่เป็นกุศลนะมีอุชุกตาซื่อซื่อๆใครเคยได้ยินหลวงพ่อคาเขียนพูดว่ารู้ซื่อๆบ้างท่านพูดภาษายีสาน ร, รู้ซื่อๆของเรารู้เจ้าเล่ ไม่ใช่ร <war> <unemployed atheist> ู้ซ <palm itting> <plets> ื่อๆนะรู้แล้วแทกแซงรู้แล้วแทกแซงเห็นกุศลเกิดขึ้นเจ้าเล่หอยากให้อยู่นานเห็นนะกุศลเกิดขึ้นนะเจ้าเล่อยากให้หายไปเห็นความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆไม่ซื่อแล้วมีแต่ความโลภอยากโน้นอยากนี่ไม่อยากโน้นไม่อยากนี่ไปเรื่อยไม่ซื่อในการรู้อารมณ์เพราะนาซื่อๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ซื่อๆนะรู้สบายๆดูมันไป ็นเกิดปัญญาเห็นเลยสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้ไม่ต้องไปดับมันหรอกมันดับของมันเองมีไมมกิเลสที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมไม่มีมีไมมกุศลที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีมีไหมอริยมรรคที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีนะอริยผลที่เกิดแล้วไม่ดับมีไมไม่มีนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับมีไหมมีเป็นอันเดียวเลยนะที่มี นอกนั้นเกิดดับหมดเลยกรนะทั่งมรรคก็เกิดดับนะผลก็เกิดดับนะมรรคเกิดได้ขณะจิตเดียวเองสู้กิเลสไม่ได้นะกิเลสเกิดทีหนึ่งอย่างน้อยเจ็ดขณะกิเลสเกิดเจ็ขณะนะอริยามรรคเกิดขนาดเดียวนะแต่เก่งกว่านะหมัดเดียวน็อกเลยอไอ้ที่ยบอยู่นะัได้เจดเจ็หมัดนะสู้หมัดน็อกไม่ได้งั้นะสิ่งทั้งหลายนะันมีแต่เกิดแล้วดับหมดเลยนะโลกุตตระเกิดแล้วดับไหม สิ่งที่เป็นโลกุตรธรรมบางอย่างเกิดดับบางอย่างไม่เกิดไม่ดับโลกุตระมีอะไรมาก4ผล4นิพพานหนึ่งเคยได้ยินไหมมากเกิดแล้วดับไหมเกิดแล้วดับเกิดขนาจิตเดียวผลเกิดแล้วดับไหมผลสี่เกิดแล้วดับนิพพานหนึ่งไม่ดับไม่เกิดไม่ดับที่ไม่ดับเพราะไม่เกิดนะไม่เกิดไม่ดับท่านพูดถูกนะไม่เกิดไม่ดับถ้าเกิดก็ดับละ เห็นแม้คนโบราณเก่งนะไม่เกิดไม่ดับของเราเกิดตลอดดับตลอดนะี่หัดพาฒนานะดูไปค่อยดูฝึกมาให้ใจเป็นกุศลก่อนนะต้องแยกให้ออกจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนไม่อกุศลถัดจากนั้นพัฒนาขึ้นมาอีกกุศลชนิดไหนใช้เดินปัญญากุศลชนิดไหนชนิดไหนใช้พักผ่อนไม่เหมือนกันนะสมถะกรรมฐานะเป็นกุศลชนิดใช้พักผ่อน นะใช้พักผ่อนให้จิตชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงเหมือนทํางานหนักแล้วได้พักผ่อนสดชื่นนะมิปั ส, สนาเนี่ยเป็นงานหลักสมถะเป็นงานสนับสนุนนะมิปั ส, สนาคือการเจริญปัญญานะนี่ยจิตที่จะใช้ทําสมถะเนี่ยนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ทำสมถะจำไว้เลย น, นะต้องจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งถึงจะทำสมถะอารมณ์เป็นหนึ่งมันถึงอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่ร้อยอารมณ์ไม่เป็นสมถะหรอกนะ บางคนนะสร้างภาระขึ้นมามากมายเลยหายใจไปพุทธโธไปแถมเดินด้วยทําอย่าง น, นั้นทํานี้ด้วยนะั้นยั่วเยี่ยงไปหมดเลยเพื่อจะอะไรบังคับไม่ให้จิตกระดุกกระดิกเลยจิตไม่มีสมถะหรอกจิตเครียดจิตที่เครียดไม่มีสมถะจาไว้นะจิตที่จะสงบได้ต้องมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบนี่ท่านสอนไว้ละเอียดนะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะ อยากได้ผลอย่างนี้ก็ต้องทําเหตุอย่างนี้ถ้าอยากให้จิตสงบเนี่ยจิตต้องมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วแนะนําว่าต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์อกุศลทําให้จิตสงบได้ไหมได้ได้ยังจะไปยิงหัวคนเนี่ยกุศลหรืออกุศลน่ะมีสมาธิไหมมีจั่วไพ่มีสมาธิไหมมีตํ า, า ร, ตรวจมายังไม่รู้เลยนั่งดูไพ่นะเพื่อนหนีไปหมดวงอะไยังไม่รู้เลยนะดูบอลมีสมาธิไหม ออกนอกมีดูม้าแข่งหลวงพ่อไม่เคยเข้าสนามม้านะเห็นคนเดินเข้าเดินออกเนะี่ยเห็นแล้วเมื่อก่อนอยู่ ท, ทำเนียบบางวันเราไปทํางานวั น, วนเสาร์อะไรเงี้ยเห็นเขาแข่งม้านะดูไปที่สนามม้านะเห็นแต่คนมีสมาธิมากเลยนะม้าวิ่งไงเห็นหมดเลยนะมันไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองนะถามว่า <c oughs> <c oughs> จิตเป็นกุศลหรืออกุศล ไม่มีหลอกจิตเป็นกุศลเห็นม้าวิ่งโอ้พ่อคุณวิ่งดีๆนะอย่าให้ขาหักมีไหมไม่มีสมาธิเกิดร่วมกับอกุศลได้ต้ระวังนะไม่ไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วจะเป็นกุศลเสมอไปต้องดูด้วยมีราคาโทสะโมหะไหมสมาธินั้นอ่อนโยนไหมนุ่มนวลไหมคล่องแคล่วว่องไวไหมซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไหมต้องดูตัวอื่นประกอบด้วยเยอะแยะเลย นี้ถ้าทําสมถะนะสมาธิที่ใช้ทําสมถะยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งวันบายวันนะเช่น <Cond it. S 2> อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้พ naive, ุทโธกับลมหายใจรวมกันก็ได้ถือว่าเป็นหนึ่งนะ listener. ไม่ต้องไปดูอะไรเพิ่มกว่านั้นหรอกหรือจะดูท้องพองยุบนะมีจิตเป็นคนดู <c oughs> เห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนี่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ก็สมถะ <c oughs> เดินจงกรม <c oughs> เห็นร่างกาย Celsius, มันยกเท้าย่าย ностью, ยงเท้าจิตเป็นคนดูนี่สมถะ จิตเป็น1อารมณ์เป็น1ถ้าวิปัสสนาจิตเป็น1อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์ไหลผ่านไปจิตเป็นแค่คนดูอยู่เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแสงนั้นสมาธิเลยมี2แบบสมาธิที่ใช้ทําความสงบนะจิตเป็น1อารมณ์เป็น1 น, เ น, นึเลือกอารมณ์ที่มีความสุขเลือกอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่าไปอ า, อารมณ์อกุศลอารมณ์อกุศลก็ทําให้เกิดสมาธิได้แต่ไม่ออาเลือกอ า, อารมณ์ที่เป็นกุศลคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นกุศลไหม คิดถึงความตายเป็นกุศล น, นะลดละกิเลสข่มกิเลสได้คิดถึงผมคนเล็บฟันหนังนะต้องของตัวเองนะถ้าดูผมคนเล็บฟันหนังของสาวงามผมก็สวยคนก็สวยเล็บก็สวยฟันก็สวยหนังก็สวยสวยหมดเลยนะอากุศลเอาไปกหนึง่งนะถ้าดูเห็นมันไม่สวยไม่งามนะใจสลดลงมาหน่อยนะหายซาเนี่ยได้กุศล เนี่ยต้องรู้จักเลือกนะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าอารมณ์ที่ยั่วกิเลสอย่ า, ามาทําสมถะนะอยู่พุทธโธอยู่ลมหายใจอะไรก็ได้ควรทํำไหมควรทําทําเพื่ออะไรเพื่อพักผ่อนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงนะสมาธิมีอีกชนิดหนึ่งตั้งมั่นไม่ใช่สงบอย่างเดียวแต่ตั้งมั่นด้วยนะในความตั้งมั่นมีความสงบไหมจิตสงบแต่อารมณ์ไม่สงบนะถ้าสมถะนะจิตก็สงบอารมณ์ก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียว ถ้าจะทําสมาธิชนิดทำวิปนะัสสนาจิตสงบนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแต่อารมณ์ไม่สงบหรอกอารมณ์เกิดแล้วดับไหลตลอดเวลาเลยจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆมันจะเกิดสภาวะที่จิตถอยออกมาเป็นคนดูห่างๆนะใครเคยเห็นสภาวะที่จิตอยู่ห่างๆบ้างดูซิยกมือยกมื อ, กมอแก้ ง, ง่วงบางคนง่วงเต็มที่แล้วหลับไปแล้วนะเลยไม่ได้ยกมือ <laughs> สอนกรรมฐานนะหลวงพ่อช อ, ชอบสอนเช้าๆ เอาเวลาที่ดีที่สุดเลยเช้าเชเนี่ยดีเรียนกันมาทานเนี่จิตที่จะใช้สมาธิชนิดที่ใช้เดินปัญญาจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายอยู่ห่างๆจิตเป็นคนดูเห็นเวทนาอยู่ห่างๆจิตเป็นคนดูเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลอยู่ห่างๆจิตเป็นคนดูเห็นจิตนั่นแหละเกิดดับทางอายตนะต่างๆจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับจิตเกิดที่ใจแล้วดับ คนไหนภาวนาเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะได้แล้วบ้างมีไหมลองยกมือซิมีไหมมีไหมมีเยอะเหมือนกันคนไหนเห็นจิตที่วิ่งไปวิ่งมาทางอายตนะมีไหมนี่เยอะกว่าเห็นไหมเพราะอะไรเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาน่ยสันตติยังไม่ขาดนะส่วนคนที่เห็นจิตเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจพวกนี้สันติขาดแล้วพวกนี้ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วนะ แล้วเราแยกขันไปนะแล้วดูขันมันทํางานนี่แหละเรียกว่าเดินปัญญาจิตตั้งมั่นเป็น แ, นะนแค่คนดูนะนี้จิตเดินปัญญาถ้าจิตเป็นผู้แสดงแล้วก็ไม่ใช่จิตเดินปัญญาจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตเดินปัญญาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตถึงจะเดินปัญญาเนะีย่ยค่อยฝึกนะสมาธิก็สองอย่างนี่ต้องเรียนนะถ้าไม่เรียนนะเอาจิตอกุศลไปเดินปัญญาบ้างเอาจิตที่ใช้ทําสมถะไปเดินปัญญาแล้วคิดว่าเดินปัญญาอยู่ ยังท่องพุทโธพุทโธจิตสงบอยู่กับพุทโธคิดว่าทาวิปัสสนาไม่เป็นหรอกรู้ลมหายใจนะจิตเห็นร่างกายหายใจแล้วสงบอยู่งั้นอ่ะไม่เป็นวิปัสสนานะเห็นท้องพองยุบจิตเป็นคนดูอยู่ที่ท้องไม่ไปไหนเลยนั่นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่เห็นท้องพองยุบเป็นวนะิปัสสนาพุทโธเป็นสมสถะไม่ใช่พุทโธก็สมสถะดูท้องพองยุบก็สมสถะดูลมหายใจก็สมสถะ ถ้าจะดูวิปัสสนาทำวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของจิตที่ท่องพุทโธเห็นไตรเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายที่หายใจเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายที่ผ่องยุบนี่ถึงจะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนากาไว้เลยขอฟันทงเขาเรียกฟันทงใช่ไหมมีใช่ไหมออสมัยก่อนนี่เขาอะไรนะมีศั บ, แแบบ์แปลกสร้างสัพท์ขึ้นมาให้ดู มีเฉพาะตัวแต่หลวงพ่อก็ขอฟันธงถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่วิปัสนาหรอกคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูณาสุภาษเป็นไหมปฏิกูณาสุภาษไม่เป็นวิปัสนาคิดพิจารณาร่างกายเป็นไตรลักษณ์เป็นไหมมีไตรลักษณ์แล้วไม่เป็นเพราะไม่ได้เห็นวิปัสนาต้องเห็นไม่ใช่คิดท่านไม่ได้บอกว่าวิตักกะ ได้เคยรู้จักกไหมวิตรวิตกตรึกคิดไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาคือวิปัสสนาวิปัสสนาวิตัวหนึ่งปัสสนาปัสสนาว่าการเห็นวิปัสสนาการเห็นแจ้งการเห็นจริงการเห็นถูกต้องเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่ใช่ปัสสนาไม่ใช่การเห็นแต่เป็นวิตกการคิดไม่ใช่ คำว่าตกคำว่าตักกะนึกออกไหมตรักกะมีวิชาเลยใช่ไหมตักกวิทยาใช่ไหมไ อ, อ, อ, อ, อ, อ้พวกที่เรียนเนี่ยไม่บรรลุมากผลหรอกตักกวิทยา <c oughs> ปยารัทญาบรรลุมากผลไหม <c oughs> บางคนอุตรีนะั่นบอกาศาสนาพูดเป็นปรัทญาเป็นปรัทญาได้ที่ไหนอ่ะนะปรัทยา <c oughs> มันใหญ่กว้างกวางกว่านั้นเยอะาศาสนาพุทธไม่ใช่แค่ตัวปรัทญาล่ า, <c oughs> างกี่เลยได้จริงๆนะ เนวิธีปฏิบัติไม่ใช่การใช้เหตุผลนะแต่ต้องเห็นของจริงเห็นของจริงในธาตุในขันเห็นไตร ล, ลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนะแด็กจิตฟุ้งซ่านแล้วพิจารณากายเป็นปฏิกูณอสุภะได้ไหมราคะมากพิจาราได้ไห ม, าา ม, าไไหมเป็นวิปัสสนาหรืออะไรหรือสมถะเป็นสมถะทาไปเพื่ออะไรเพื่อข่มราคะใช่เพื่อขมาา่มกิเลสนะไม่ใช่เพื่อรู้แจ้งนะ มีความโกรธขึ้นมาเจริญเมตตาเป็นอะไรเป็นสมถะทําไปเพื่ออะไรเพื่อข่มความโกรธ ห, หมายข่มกิเลสนะอถ้าเห็นรูปนามาเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาต้องแยกให้ออกอะไม่งั้นมั่วเวลาภาวนามั่วนะมั่วหลวงพ่อเองก็มั่วบอกให้ตรงๆเลยว่าตอนสมัยภาวนาเนี่ยเพราะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดุลนะบอกให้ไปทํามันนี่ยไม่บอกวิธีนะให้เราหาเอาเองอะเราก็มั่วสิ ลองถูกลองผิดนะลองทีไรผิดทุกทีเลยลองไปลองมาไปจับถูกเข้าคล้ายๆที่หลวงพ่อเทียนบอกนะคลาไปในห้องมืดนะคลำคลำไปถูกสลักมันเข้าประตูเปิดได้ไม่คลาประตูจะเปิดไหมไม่เปิดหอกต้องคลาคลำถูกคําผิดไม่เป็นไรคลามันไปเรื่อยแต่คลาให้มันรู้หลักนะอยากออกทางประตูไม่ใช่คลาอยู่ที่พื้นคลาอยู่ที่เพดานนี่มันก็เวอร์ไว้หรือคลาในอากาศรอบตัวไม่ยอมเข้าไปข้างฝามหาประตูไม่เจอหรอก แล้ต้องรู้ด้วยว่าจะคลำที่ไหนคลำที่รูปนามนี้แหละคําที่รูปนามที่กายที่ใจพอไหวไหมอย่างนี้ไม่ยากนะถ้าทำถูกหลักนะเ็ดวันเจเดือนเจ็ดปีต้องได้ของดีพวกที่ไม่ได้ของดีมีสองจำพวกพวกเร็วเกินไปกับพวกดีเกินไปพวกเร็วเกินไปเช่นพวกด่าพระอริยะพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกทําร้ายพระพุทธเจ้านี่ยุคเราไม่มีโอกาสละทำร้ายพระพุทธเจ้าทําร้ายพระธรรมได้ไหม ยุคนี้ยอดจะทำร้ายพระธรรมเลยยอดบีดเบือนเลยสัตวรทำปฏิรูปเต็มไปหมดเลยนะทำร้ายพระสงฆ์ได้ไหมไม่รู้ว่าใครเป็นพระสงฆ์ที่บวชอยู่นี่เป็นพระสงฆ์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่เป็นภิกษุที่บวชมาเท่านั้นเองเมื่อเราไม่รู้นะว่าใครเป็นพระสงฆ์ผมยาวๆนี่อาจจะเป็นพระสงฆ์ก็ได้นะไม่แน่นะเพราะฉะั้นไม่ทำร้ายใครเลยไม่ด่าใครเลยนะกระทั่งโยมด้วยกัน หมาเป็นได้ไหมหมาไม่ได้หมาเป็นโพธิสัตว์ได้ไหมโออพธิสัตว์ไปเป็นหมาได้ไหมเป็นโพธิสัตว์แล้วไปเป็นหมาได้ไหมได้ได้เพราะโพธิสัตว์เนี่ยท่เวียนไปในภพภูมิต่างๆยกเว้นในทั้งหมดหกภูมิที่ท่านไม่ไปคืออะไรนะพรหมสุทธาวาสหาชั้นไม่ไปถ้าไปแล้วไม่ได้มาเกิดอีกแล้ว นะอีกอันหนึ่งที่ท่านไม่ไปนะัคือปลอมลูกฟักเพราะว่าไปนั่งซื่อบื้ออยู่นะไม่ได้บําเพ็ญบารมี <c oughs> นี่บางคนนะเป็นนั่งสมาธิอย่างนั้นหมดความรู้สึกเลยตัวแข็งแข็งเป็นปรอมลูกฟักนะคิดว่าเป็นพนันธิผ่านโท่พระโพธิสัตว์ยังไม่เอาเลยพุทธเจ้ายิ่งไม่เอาใหญ่นะคนละานกันนะอย่า ม, มั่วนี่เราสอนซื่อๆนะสอนตามหลักวิชานะไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้เ อ, อ่ยชื่อใครเลยพูดในหลักวิชาการแท้ๆเลย เรียนต้องเรียนอย่างนี้นะเระพุทธเจ้าไม่ใช่บอกให้ประนีประนอมกับมิจฉาทิฐินะแต่ท่านไม่ได้ให้ตีคนท่านบอกว่าท่านจะไม่นิพพานนะถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่เข้มแข็งถึงขนาดต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิไดนะ้งั้นเราจะต้องชี้ถูกที้ผิดนะในเรื่องธรรมะต้องชี้ไม่ใช่ไม่ชี้ไม่ใช่ประนีประนอมย้อนยน้อนย้อน หยวนหยวนาศาสนาหายไปเลยกลายเป็นาศาสนาหยวนหยวนของราชวงศ์หยวนไปไม่ใช่าศาสนาพุทธนะแต่ไม่ใช่ก้าวเล้าล่วงเกินใครนะก้าวเล้าล่วงเกินคนอื่นที่เรื่องกิเลสนะเราเราศึกษาเราโต้แย้งไม่ใช่ไปโต้คนอื่นเราเราฟังใครเ้าสอนอะไรนะฟังอย่าพูดฟังไว้นะแล้วมาพิจารณาดูมันถูกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกไหม ถ้าน่าสนใจเอามาลองปฏิบัติดูล้างกิเลสได้ไหมถ้าปฏิบัติถูกธรรมะนั้นถูกต้องล้างกิเลสได้ในเวลาไม่นานยกเว้นดีเกินไปกับชั่วเกินไปดีเกินไปก็ไม่ได้นะอย่างหวังพุทธภูมินะเนี่ดีเกินไปหวังพุทธภูมิภาวนาแทบตายเลยทำวิปัสสนาจนถึงสังคารู้เบกขายานแะล้วก็ไม่ตัดเหมือนสุเม็ดดาบทใครรู้จักไหมสุเม็ดดาบทสุเม็ดดาวบทไปเจอพระทีปังกร ลูกศิษย์สุมเมธดาบทเนี่ยฟังพระทีปังก่รเทศบรรลุพระอรหันต์หมดเลยเหลือท่านสุมเมธองเดียวไม่บรรลุหมดแต่ปลื้ ม, มดีจังเลยเป็นพระที่เจ้านี่ดีจังเลยได้ช่วยสัตว์โลกเยอะแยะอยากเป็นบ้างไม่บรรลุเพราะว่าดีเกินไปนะั้นเร็วเกินไปก็ไม่ได้นะฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรี้ไม่ได้นะด่าพระอริยะอะไรไม่ได้นะเป็นพระป ร, ะรารชิกนะแล้วมาภาวนาเนี่ย กั้นอะไรกั้นสวรรค์ไหมไม่กั้นสวรรค์ไม่กา้ น, านปรมโลกนะกา้นนิพพานเฉยเฉต้องแยกนะให้ออกอ้าวทำไมกายประเทศเรื่องพระปาชิกไปแล้วยังไงชอบกกนอยู่อ้าวเชิญส่งกันบ้านกาบเรียนหลวงพอ่อจะถามว่าถ้าปฏิบัติไปนานนสติมันไวขึ้นเนี่ย มันไปเห็นผัสสะเยอะๆเนี่ยมันทำให้อารมณ์น้อยลงทำให้จิตนิ่งไหมคะคือคือเวลาที่เราไปเห็นผัสสะเนี่ยจริงๆผัสสะเกิดตลอดเวลาแหละแต่เวลาถ้าเราเห็นแล้วเราจงใจเห็นน ะ, ะจิตไม่ทำงานต่อมันจะนิ่งๆแต่ถ้าเห็นตามธรรมชาติเนี่ยถ้าอารมณ์นั้นแรงจิตก็ทำงานต่อถ้าอารมณ์เบาๆจิตก็ไม่ทำงานนะทำบ้างไม่ทาบ้าง แต่ถ้าประคองไว้ไม่ยอมทําเลยนิ่งอย่างเดียวคุณคณิษฐาก็ดูว่าจิตเรานิ่งทั้งวันทั้งคืนไหมนี่ใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยอะไรก็เฉยหมดเลยเฉยจืดๆอย่างนั้นนะอย่างนี้ต้องติดประคองค<ะ>ตามองเห็นนะประคองความรู้สึกไว้รู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแล้วมันเป็นล็อกไว้จิตไม่ทํางานต่อลองปล่อยให้มันทำดูนะกิเลสจะเยอะแยะเลยสนุก เกิดรู้วันนี้ขึ้นมาเรามาอยู่วัดตั้งห้าวันเนี่ยกลับไปแฟนมีอีหนูไปแล้วทําไงอุเบกขาอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เกินไปยเนี่ยเตใจนะปล่อยให้เขาทํางานอย่าไปบังคับพอสติมันเกิดปั๊บมันมันไปมัไปตัดคือตรงตัดเนี่ยควรคณิถาสังเกตดูตัดแล้วใจเบาๆเบิกบานมีความสุขไหมหรือตัดแล้วใจกระด้าง ตัดแล้วใจกระด้างเนี่ยจงใจเพ่งแรงไปถ้ามันตัดสติเกินมันตัดไม่ตัดตัดนะแต่ว่าใจสบายปร่งเบาแต่มันก็ไม่ได้ตัดทุกทีบางทีบางเรื่องมันมีเหตุผลมีความจำเป็นมีความรุนแรงพอก็เข้ามาถึงใจแล้วก็มีสติรู้ทันอยู่ที่ใจเวลาที่ตามองเห็นรูปเนี่ยหรือมีผัสสะเกิดขึ้นนมีจุดที่ทาปฏิบัติได้ผิดเนี่ยอย่างน้อย4ี่จุด ขณะที่ตามองเห็นรูปนะบางคนเพ่งอยู่ที่จักษูประสาทเพ่งอยู่ที่จอข้างในเย น, นะที่ประสาท ต, ตานะบางคนเพ่งอยู่ที่รูปที่มองเห็นบางคนเพ่งการกระทบสัมผัสเนี่ยมันกระทบแล้วไปเพ่งอยู่ตรงที่จุดที่กระทบบางคนเพ่งจิตซึ่งไปรูป้รูปเรียกว่าจักขูวิญญาณจิตเนื้อตัวนี้เพ่งได้สี่แบบนะอันนี้อาจจะมีอีกก็ได้แต่ว่าหลวงพ่อไปไม่ถึง ที่หลวงพ่อเห็นนะ่ะเป็นเพ่งได้สี่อันคนอื่นท่านเก่งๆอาจจะเห็นว่าเพ่งได้8ปดหมสพแบบก็ได้ไม่แน่ <c oughs> แต่ถ้าเพ่งอย่างนี้แล้วก็จิตจะนิ่งแลจิตจะนิ่งแต่ถ้าไม่ได้เพ่งไว้ตามองเห็นรูปที่กิเลส <c oughs> เกิดที่ใจเลยต้องดูถ้าใจนิ่งๆทื่อๆแข็งๆนิดนึงแสดงว่ามีการเพ่งอยู่นะสังเกตนะถ้ารู้ทันก็ค่อยๆ ค, ค, คลายไป อ่ะว่าไปวันนี้ค่ะก็เท่าที่ฟังหลวงพ่อเทศวันนี้คือยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เดินวิปัสสนาค่ะยังอเออรู้ก็ดีแล้วน ะ, ะดีกว่านึกว่าทําวิปัสสนาอยู่ค่ะก็เลยอขอกันบ้านหลวงพ่อไปแย<า>กขันไปด้วยนะฝึกทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทํา ส, น ม, นสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทําไปแล้วแต่สะดวกจะทําทุกวัน เราเห็นขันมันทํางานไปใจเป็นคนดูฝึกนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันเดินปัญญาได้ในรูปแบบนี้ควรทําเยอะแค่ไหนคะมีแรงแม่มีแรงแค่ไหนก็ทําเท่านั้นทําอย่าให้ฝืนมากแต่ไม่ใช่ตามใจกิเลสแต่อย่าไปฝืนแรงเช่นหัดใหม่ๆวันหนึ่งไม่ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างละสองชั่วโมงไม่ต้องวันแรกแรกหัดสินาที15นาทีอะไรเงี้ยฝึกไปทุกวันทุกวันนะจิตใจมีความสุขมันเพิ่มขึ้นเองอ่ะ บางคนเริ่มมาจาก15นาทีนะเดี๋ยวนี้ได้วันนึ่งหลายชั่วโมงก็มีนะพวกเรานี้นะแต่ถ้าเริ่มต้นเอาให้เยอะไว้ก่อนนะีมันหมดแรงมันท้อแท้แปบ๊บเดียวก็เลิกแต่ต้องดูเอาแบบต้องอดทนนิดนิ ด, นดแค่นี้นะไม่ใช่ต้องทุบทุกทรมานและไม่ใช่ว่าพอดีคือพอดีขี้เกียจไม่ได้เอาแบบต้องทนนิดนิดพอไหวไหมแม่เห็นไหมหลวงพ่อตอบเนี่ยตอบหลักการนะ ก็แต่ละคนมันทนไม่เท่ากันบางคนทนนิดๆเนี่ยคือหนึ่งนาทีเนี่ยต้องทนละ <laughs> อ่ะต่อไปวันนี้จิตมันก็ยังไม่ตั้งมั่นนะครับมันก็ยังไหลๆออกไปเรื่อยๆครับอืมดีบังคับไว้ไหมบังคับครับเออดีกดตรุดเลยครับเออดีที่รู้ใครนั่งตรงนี้ก็กดธรรมดานี่เก้าอี้อาถรรพ์ขออนุญาตส่งกันบ้านเก่าครับหลวงพ่ คือที่เคยรายงานหลวงพ่อครั้งแรกๆนะครับก็เห็นว่าร่างกายมันเหมือนเป็นอนัตตาอยู่คราวนี้พอหลังๆมาเนี่ยเห็นตัวเวทนาดูเหมือนถ้าจําไม่ผิดจะครั้งหรือสองครั้งแต่ไอ้ที่หลังๆครั้งหลังๆสุดเนี่ยจะเห็นเป็นสัญญามันดับไปไอ้ตัวนี้พอเห็นแล้วมันกลัวครับหลวงพ่อเหมือนมันจะเป็น <laughs> อัลไซเมอร์หรือเปล่าไม่เป็นครับ <laughs> เป็นอัลไซเมอร์ไม่เคยเห็นสัญญาณดับโอ้ครับแต่ตัวสังขารกับตัววิญญาณตัวสังขานี้เห็นเห็นสติตัดไปเฉยๆยแต่ยังไม่เห็นชัดส่วนวิญญาณคิดว่ายังไม่เห็นวิญญาณดูงี้วิญญาณมีหกันใช่ไหมจะขูวิญญาณใช่ัหมโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณใช่วิญญาณเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ วิญญาณหกงั้นจิตวิ่งไปดูรู้ว่าไปดูเห็นไหมจิต ท, ที่ดูกับจิต ท, ที่ฟังโคล้านจิต ท, ที่ดูกับจิต ท, ที่คิดโคล้านเห็นไหมตอนนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็คิดคเห็นไหมมันสลับไปสลับมานี่เห็นตรงนี้แหละจะเห็นจิตเกิดดับทางอนะริยตนะเห็นวิญญาณเกิดดับครับเดี๋ยวหลังจากคนอยู่วัดแล้วขอโอกาสเบอร์200อยู่ในคิวด้วยครับหลวงพ่อมีเหรอเบอร์200อยไหน คนไหนคนไหนเบอร์สองร้อออยู่นี่เลยอ่ะว่าไปจริงไม่มีอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อจะแนะนําจิตมีแรงไหมมีแต่ไม่เต็มที่เจ้าค่ะโอ้จิตไม่ค่อยมีแรงนะให้รู้เอานี่หลวงพ่อถามเอานั้นเนี่ยเจ้าค่ ะ, ะจิตมีโมหะไหมสว่างหรือมัวมัวนิดนึงเจ้าค่ะโอะ้เกง <c oughs> <c oughs> เป็นกลางไหม มันมีมันมีหน่อยเดียวที่ไม่เป็นกลางแต่ก็ค่อนข้างจะกลางพอสมควรเจ้าค่ะแต่ไม่เป็นกลางเต็มทีมจิตสดชื่นหรือจิตแห้งแรงซึมๆ ม, มันมันแหง้งมันเหมือนหมดแรงไปหน่อยอะเจ้าค่ะนะให้รู้ทันนะเร า, าก็เป็นกลางกับมันพูดโทไปตอนนี้แรงตกแล้วแรงตกนี่คือเวลาทำสมถะละเจ้าค่ ะ, นะะต่อไปหมดละเบอร์สองร้อยว่ามาอยู่ไหนเบอร์สอง้อย เสียงดังๆนะเราแก่แล้วโง <ผม S 1> ตึงข อ, อการทำหลวงพ่อเพื่อไปต่อนะครับว่าเมื่อรู้แล้วเกิดการสลัดคืนนะครับการสลัดคืนโดยรุนแรงผลก็คือรบปิมุติสุเมื่อวิุติสุจางคายแล้วนะครับให้ทำอะไรต่อครับอย่าเพิ่งเรียนตรงนี้นะยังไม่ใช่ของเรากิเลสเกิดขึ้นรู้สึก อะไรเกิดขึ้นรู้สึกไปก่อนการสลัดคืนเป็นหน้าที่ของจิตที่มีปัญญาเขาสลัดของเขาเองแหละเขาสลัดแล้วเป็นยังไงเราเห็นของเราเองแหละนะแล้วถ้ารู้นำไปก่อนไม่ดีเดี๋ยวใจใจจะไปปรุงขึ้นมาเราเลยไม่ตัดนะไม่มีไม่มีประโยชน์ที่จะฟังเป็นโทษนะอย่าฟังเลยเอาไว้ถึงแล้วไม่ต้องมาถามหรอกถึงแล้วก็รู้เองแหละแล้วมาบอกหลวงพ่อบ้างก็แล้วกัน ปฏินิสักขะนะมัเกิดเองเมื่อปัญญามันแจ้งนะสลัดคืนขันตัวสุดท้ายที่จิตจะสลัดคืนโลกนะั้นก็คือจิตนั่นแหลนะจะสลัดจิตคืนโลกไปของเรานะสติปัญญาเราไม่พอเราเกิดมาในจักรวาล น, นี้เราไปหยิบฉวยเอาสม บ, บัติของจักรวาลบางส่วนมานะมาขีดวงขึ้นว่านี่คือตัวเราขยายวงออกไปหน่อยนี่เป็นของเรานะอั น, นี้ของพวกของเรานะ อันนั้นเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราเราไปขีดวงหลายๆวงขึ้นมาซ้อนๆ้อนซ้อนกันอยู่เนี่ยจะสลัดคืนได้ก็มีปัญญาะรู้จริงๆเป็นของโลกไม่ใช่ของเราหรอกขันนี้เป็นของโลกนะไม่ใช่ของเราจิตเห็นอย่างนี้ยนะจิตไม่ไปขีดวงขึ้นมาไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาสลัดของมันเองเราะนั้นจิตจะสลัดคืนได้เพราะจิตมันเกิดปัญญาจิตเกิดปัญญาได้เพราะเราทํามิปัสนาเต็มที่แล้วะไม่ใช่ทําสมถะเต็มที่นะ สมถะไม่สลัดคืนสมรถะจะหยิบเวยเอาไวนะ้กระทั่งในอากาสา น, านาัญญยตนะวิญญาณัญญยตนะอากินจัญญยตนะเนวสัญญาณาสัญญยตนะหยิบเวยทั้งสิ้นเลยนะหยิบเวยเอาจิตขึ้นมานะถ้าในรูปปีฌานก็หยิบเวยเอารูปขึ้นมาในอรูปก็หยิบเวยจิตขึ้นมานะตรงปัญญาแจ้งอันนี้มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษก็คืนให้โลก ไอสไตน์เก่งนะไอสไตน์บอกว่ามนุษย์เป็นเศษธุลีของจักรวาลเห็นไหมมองเก่งนะแต่ไอสไตน์มีไหมมีดีแต่คิดเนี่ยหลวงปูดด่โดลวิจารณ์ <c oughs> บอกว่าเขาคิดไปได้คํานวณไปได้ถึงนิพพานแต่เขาไม่เอาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยบอกเขาไม่รู้จักประโยชน์ไอสไตน์บอกมนุษย์เป็นเศษธุลีของจักรวาล น, นะแต่มันสําคัญตัวผิดอะ สำคัญมั่นหมายว่ามีตัวกูขึ้นมานะใหญ่ใหญ่ขึ้นมามีเซลล์ขึ้นมางั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรของโลกก็คืนโลกเข้าไปแต่อาศัยอยู่ให้อาศัยเขาแต่ไม่ไปจองเป็นเจ้าของเหมือนยืมบ้านเขาอยู่เช่าบ้านเขาอยู่ไม่คิดว่าบ้านของเรานี่เราก็มาเช่าเขาอยู่นะเช่าเขาอยู่ถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของไม่คืนได้ไหม คือเป็นผีเฝ้าหวงซุยอยู่มันตินี้สักขาได้มันอนาระยะแม่าลายอวอน mm hmm. สลัดคืนแต่ตินี้สักขาคืนแล้วก็เป็นวิมุตตะมันต่อกันอันเดียวกัน mm hmm. เรียกเป็นไหวพจน์กันได้ mm hmm. เอาต่อไปใครใครใครใครมีเหตุผลความจําเป็นเห็นไหมถามเท่าที่จําเป็นนะช่วยยกป้ายยกป้ายนะ mm hmm. ่วยยกป้าย ภาพนั้นพิสการหลวงพ่อครับคือขณะนี้ที่เดินปัญญาอยู่คือสามารถไปดูออกว่ากายกับจิตนี่มันไม่เที่ยงอนะครับแล้วก็บางเงินมันมีมันมีบางวันที่ไปเห็นเอาขณะเนี้ยเอ๊ะในเมื่อถ้าจิตมันไม่เที่ยงเนี่ยมันคงไม่ควรจะมีตัวตนไม่มีอะไรนะไม่มีตัวตนใช่แต่พอนี้พอดูปั๊บมันเหมือนเหมือมันเหมปิ้งแต่พอย้อนกลับมาดูทีตัวตนยัง เพียบเลยครับยังไม่พอนะดูอีก <c oughs> ยังดูไม่พอนะยังไม่ล้าง <c oughs> ดูอีก <c oughs> ดูถูกแล้วล่วนะการที่เราแยกขันออกไปแล้วเห็นขันแต่ละขันตกอยู่ใต้ใจรักเนี่ยมันล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนนั่นเองนะนี่ถ้าล้างแล้วบางคนพอเริ่มล้างไปหน่อยตัวตนไม่มีใจหายเลยยอมรับไม่ได้เพราะรักตัวตนมากนะบางคนกลัวบางคนรู้สึกเวิงว่างรู้สึกหวงเวงอะไรเงีนะ้ย นะอักษรวแหวนทั้งนั้นเลยนะแล้วให้ดูไปอีกดูไปเรื่อยนะเจใจเป็นกลางกับทุกอย่างก็เห็นขันมันทํางานไปด้วยใจที่เป็นกลางเรืยไปสุดท้ายปัญญามันเกิดเมื่อสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้นเห็นไหมแสด่าช่วงนี้เดินเดินมาทุกทางนะครับจิตถึงฐานไหมขณะนี้รู้สึกมันห่วงกายอยู่ฮะโอจิตมันตั้งมั่นไหม ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยกระชับเท่าที่ควรครับใช่ไม่กระชับนี่ใช้สับได้อีกสับหนึ่งแนละ้วไม่กระชับถูกต้องนี่แหละมันไม่ถึงฐานนะมันไม่กระชับได้อีกคำแนละ้วนี่นักปฏิบัติกนะ็คุยกันก็น่าฟังอย่างเงี้ยพูดกันไม่รู้เรื่องพูดภาษานคนละอย่างสองอย่างนะแต่ว่าภาวนาเรารู้เนาะมันไม่กระชับจริงๆครับจิตมันไม่ถึงฐานนันนะไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆออกนอก ออกนอกอยู่หน่อยหน่อยให้รู้ทันจิตทีท่ออกนอกนะจิจะเข้ามาพุโทโธไปรู้ทันจิตออกนอกไปก็เข้ามาเข้าเองห้ามดึงร้อยสามสิบสามคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดภพอะค่ะอะไรนะคราวที่แล้วบอกว่าติดภพอยู่อะค่ะออดีขึ้นหรือยังคะหลวงพ่อแล้วติดภพไหมตอนนี้ก็มีประคองหน่อยหน่อยะไรเออน่นก็เป็นอีกภพหนึ่งเป็นนักปฏิบัติ ประคองเอาไว้คนชั่วๆไม่ประคองไว้นะตระเเปิดเปลงนี่เป็นภพที่ไม่ดีคนดีก็ประคองไว้เป็นภพที่ดีถามว่าภพที่ชั่วภพที่ดีทุกไหมประคองอยู่ทุกไหมทุกไม่ว่าภพอะไรทุกทั้งสิ้นนะแต่อาศัยภพอาศัยภพนะอาศัยภพไปทางให้ผ่านไปศีล ส, สมาธิกันปัญญาเกิดในภพ ไม่เกิดนอกภพหรอกเพราะฉะนั้นอย่าตกใจว่าตอนนี้จิตสร้างภบอยูนะ่เป็นที่ซ้อมให้มีสติสมาธิปัญญาห ล, ลงไปคิดหรือยังหลงเป็นเรื่อยอเออให้รู้ทันเอานะเอา้าเมื่อกี้จะพูดอะไรบอกว่าเออจิตมันไม่ค่อยเดินปัญญาค่ะหลวงพอ่อนั่นแหละดูขันมันไปนะเห็นร่างกายถ้ามันไม่ยอมเดินปัญญาจริงๆต้องช่วยมันคิดพิจารณา นะอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนะี่ยชอบให้คิดพิจารณาเพราะท่านทําสมาธิกันเยอะพอทำสมาธิมากจิมติดนิ่งติดเฉยง่านก็ให้เดินปัญญาด้วยาการคิดแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาเป็นการคิดกระตุน้นให้จิตหัดสังเกตไตรลักษณ์ของกายของใจเท่านะั้นะนะแหละต่อไปพอจิตมันเห็นไตรลักษณ์เอง ต, ตัวนั้นเป็นวิปัสนาแต่ที่ติดพบว <พบ S 1> ่างๆข้างหน้านี่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่ออะไรนะที่ติดพบว่างๆอยู่ข้างหน้านี่ทําไมมันมันกลับมาแล้วใช่ไหมคะ อ้าวม่กลับมาหรือยังไม่รู้หรือน่าจะกลับแล้วค่ะก็ถูกแล้วนี่เห็นไหมรู้ด้วยตนเอง <c oughs> รู้ด้วยตัวเองนะเบอร์สี่นามส ก, การค่ะหลวงพ่อเ อ, อระยะหลังเห็นว่าจิตเปลี่ยนไปท้อแท้ไหมท้อแท้เหรอคะฮะมันก็มีบ้างอให้รู้ทันเราเนาะค่ะอ่ะว่าไปเออเห็นว่าจิตเปลี่ยนค่ะดี คือใจมันจะยอมข้างนอกกับข้างในมันใกล้เคียงกันอะค่ะเออมันยอมจริงหรือมันมันมันยอมไปมากนะคะอมันยอมมากขึ้นไงแต่มันยอมไม่หมดหรอกมั้งยังไม่หมดหรอกถ้ายอมหมดมันไม่ท้อแท้หรอกค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือมันจะฟังธรรมได้เข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วไปฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนก็รู้เรื่องนะ ใช่ค่ะหรือไปฟังใครเขาพูดธรรมารู้เรื่องหมดเลยรู้เลยว่าถูกหรือผิดอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดเองค่ะไม่ได้คิดเราเอง น, นงนะงงค่ะแต่ใจต้องสดชื่นกับพี่กระเป๋าหน่อยนะกับพี่กระเป๋ากว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้กับพี่กระเป๋าไหมมันมันเหมือนออพอมาเจอบรรยากาศอย่างเนี้ค่ะดูว่ามันซึมๆมนิด น, นึงแล้วก็ดูว่าคือตื่นเต้นด้วยเดนะินนะให้รู้ทันว่าซึมๆรู้ทันว่าตื่นเต้นค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จิตมันปรุงขึ้นมาอีกค่ะก็แค่รู้ไปอยากถามให้หลวงพ่อชี้แนะนิดนึงว่าโยมยังติดอะไรขอการบ้านเพิ่มค่ะอะไรนะโยมยังติดอะไรอยู่บ้างขอการบ้านมไม่มีอะไรหรอกทาไปเถอะทามาเนี่ยดีแล้วนะม่นค่อยๆพัฒนาอย่าใจร้อนเท่านั้นแหละค่ะนะขอบคุณค่ะเมื่อสิบหนึ่งสหนึ่งอยากขอรายงานที่ได้ปฏิบัติมานะครับก็ส่งข้านบ้านครับสุดท้ายเมื่อเราปีครึ่ง แล้วแล้วก็ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็ใช้สวดมวนต์เอาอะไรเงี้ยพอสวดมวนต์ก็ยังไม่สงบอีกก็เห็นมันแวบไปแวบมาเดี๋ยวก็คิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องงานคิดสารพัดอะไรเงี้ยจนวันหนึงมันเห็นว่ามันคิดแล้ว ม, มันมีตัวที่รู้อืแยกออกมามแล้วพอหลานจากตัวที่รู้เนี่ยมันมีความคิดที่ว่าตัวที่รู้เนี่ยคือตัวเราอืเข้ามาอีกอืมอย่างเงี้ยแต่เห็นอย่างงี้แค่สองครั้งอืม หลังจากนั้นมันก็เป็นวิปัสสนึกไปมากกว่านี่จะเปอะไรอวบน่นนะครับถ้าอยากเห็นอีกจะไม่เห็นหรอกรมันเห็นตอนไม่ได้จงใจนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่คอยรู้ทันจิตแวบไปแวบมาเรารู้ทันนะแล้วจิตไหลตามมันไปเราคอยรู้ครับเวลาหัดภาวนาใหม่ๆเนี่ยจะพลาดอย่างที่บอกว่าจะดูจิตดูจิตดูไม่ถึงจิตหรอกมันชอบส่งจิตไปดูมากกว่าครับอย่างตอนนี้ส่งจิตมาฟังใช่ไหมส่งจิตมาฟังแล้วก็ส่งจิตไปคิด เราไม่รู้ว่าจิตเราถูกส่งไปฟังจิตถูกส่งไปคิดถ้าเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตวิ่งไปดูแล้วจิตวิ่งไปฟังแ ล, แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้ตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยนา น, น, านตัวรู้เกิดทีเพราะเราไม่เห็นตรงที่มันไหลไปเนี<อ>่ย ต, ตอนนี้ไหลไปคิดไหมครับ เ, ออเนี่ยถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นพอไหลไปแล้วรู้สึกว่ามันทาอะไรกับมันไม่ได้ทาไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตา อาณาตาระไม่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นไหมบังคับไม่ได้นั่นแหละความจริงอยู่ตรงนั้นต่ไม่ใช่ฝึกจนกูเก่งนะบังคับได้หมดเลยแล้วพอเห็นอย่างนี้นี่คือถูกหรือยังครับเห็นถูกสิแต่เห็นบ่อยๆแต่ยายากเห็นนะให้กันบ้านจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจไหลพิชิตเนี่ยให้รู้ทันไวรู้ไวๆแต่ปลาจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่เรื่อยๆรู้บ่อยๆ แลก็เห็นขันมันทํางานจิตเป็นคนดูจะเห็นว่าขันไม่ใช่เราครอกปัญญามันจะเกิดปัญญามันเกิดให้มันล้างความเห็นผิดว่ามีเรามันยังกลัวมากกว่าครับเหมือนว่าไม่ค่อยอยากจะปล่อยรู้สึกว่าพอมีตัวเราแล้วพอไม่มีตัวเราแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเอมันกลัวที่วมันจะไม่มีอะไรใช่ใช่อย่างเงี้ยครับมีคำพีของมหายานนะของเซนอะไม่น่าว่าเป็นมหายานหรอกของเซน เราพ่อจำไม่ได้ว่าของเว้ยหลังหรือของวงโปงนะพูดบอกว่าจิตของคนทั่วๆไปเนี่ยนะถ้ามือซ้ายไม่จับรูปประทําไว้มือขวาก็ไปจับนามมาทาไว้ไม่กล้าปล่อยเพราะกลัวจะหล่นลงไปในความว่างกลัวตัวเราหายไปมันรักตัวเราที่สุดเลยดีที่เห็นนะไปภาวนาต่อจกนกระทั่งมันยอมรับความจริงคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือคนที่จิตยอมรับความจริงแล้วตัวเราไม่มีหรอก ร้อก็เมื่อเมื่อประมาณสักสาเดือนที่แล้วเนี่ยมาส่งส่งกันวันพอที่ว่าปวดฟันแล้วก็เห็นเห็นขันมันกระจายตัวไปแล้วสุดท้ายจิตมันไม่ยอมไปรู้ทุกเนี่ยมันก็ไปหลบอยู่ในความว่างแล้วก็ไม่เอานั่นทีนี้ถัดมาประมาณสักเดือนกว่านี่มันมันมันเกิดอีกอันนึงภาวะอันก็คือ มันปวดหัวเนี่ยก็มีการปวดว่าปวดนิดเดียวจริงๆเลยเนะฮะก็แค่รู้สึกเนี่ยฮะโอแต่เวทนาที่มันไปปรากฏที่ใจเนี่ยใจทบขาดเลยออะไรนะหลวงพ่อฟังไม่พอพอเวทนาที่ ท, ที่ที่จิตที่มันไปรู้ความปวดที่ ท, ที่ที่กายที่ปวดหัวเนี่ยนะฮ ะ, อะพอไปเกิดที่เป็นเวทนาที่ใจเนี่ยมันมันใจทบขาดเล ย, ยเลยเลยเลยคิดว่าเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเนะียเดี๋ยวอ่า หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกกระทุกเนี่ยคิดคิดว่าวันนั้นต้องสาหันนะ <c oughs> แน่ทีนี้น <aquell> ะทีนีน <c oughs> ้นับปัจจุบันนี้เนี่ยสภาวะของการรู้รู้รูปกับรู้รู้นามเนี่ยนะฮะของของผมเนี่ยมันมัน <c oughs> <อ> <hour> รู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนไปคือรู้นามเนี่ยบางทีมันมันไม่แน่ใจมันมันมันฝืนความจริงหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ย เราเราเราหันคอเนี่ยนะปกติเราเราจะคิดว่ามันหันโดยเพราะว่ากล้ามเนื้ออะไรเนี่ยนะะแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเหมือนว่าถ้าจะหันไปทางทางนึงนะมันมันเหมือนมีแรงอะไรมามากระทบกับกับอวัยวะส่ว น, นนั้นนะนะแล้วมันก็ทำให้มันหันไปเคลื่อนไปทีนี้ถ้าแรงตัวนะั้นคืออะไรรู้ไหม ค, คือธาตุลมอ่าว่าไป หรื อ, อย่างเวลาเดินเนี่ยนะฮะจะมีความสึกว่ามันมันไม่ได้เห็นว่าเป็นรูปเดินแบบแบบตะก่อนหรือรูปเคลื่อนไหวแบบตะก่อนเนี่ยนะฮะมันจะเห็นเป็นลักษณะว่าเหมือนเหมือนเหมือนก้อนอะไรสักก้อนนึงเลยนะแล้วก็โดนอะไรดันอยู่ข้างล่งใช่ <ละ S 1> ใช่ถูกแล้วนั่นแหละเราเห็นรูปจริงๆแล้วไม่ใช่คนลแล้วแล้วตรงนี้ถ้าถ้าจะรู้ให้มันเกิดปัญญาหรือจะมันก็เกิดแ ล, กแล้วนะมันเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแร้ว การที่เราล้างความเห็นผิดเมื่อมีเรานะมีตัวเรานะนั้นน่ะเดินปัญญาอยู่เราเห็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งนะมันถูกผลักให้เคลื่อนไปเริ่มแต่ใจสั่งให้เดินนะแล้วก็ผลักดันาธาตุลมาธาตุลมเนี่ยผลักดันวัตถุอันนี้ให้เคลื่อนไปนะเราเห็นาธานตะุเห็นาธาตุได้เก่งเชีวยวละทีนีอ้อีกอันหนึ่งเนี่ยเรื่องของการการการรู้นามเนี่ยนะฮะก็คือจะ ตามดูจิตตามอะไรก็ ด, ดูรู้สึกว่ามันเป็นภาระนะฮะออไม่เอาสิเราก็ดูรูปของเราไปทีนี้ก็มาม า, ม, า, ม, า, ม, า, ม, ามองว่าถ้า ม, มีอันหนึ่งนะคือการรู้ขันเนี่ยนะฮะออก็คืออ่านในหนังสือหรืออ่านในตําราที่ไหนก็ไม่มีความเข้าใจนี่อยากจะข อ, อ, ะอเราไม่ต้องยยรู้ทุกขันหรอกนะคแค่เห็นร่างกายอยู่อันหนึ่งจิตอยู่อันหนึ่งแค่นี้ก็พอแล้วล่ะ เห็นไหมต่อไปก็จะเห็นยังไงจิตที่ไป็นคนสั่งร่างกายนะมันก็ไม่มีเราอีกแหละมันก็แค่จิตแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่ต้องเห็นเยอะหรอกของใครของมันนะบางคนเขาถนัดดูจิตให้่เขาดูไปเราถนัดดูกายก็ดูไปมันก็ล้างกิเลสได้แต่ว่าจะดูกายได้ผลดีก็ต้องมีจิตเป็นคนดูขอาคุณเห็นแล้วล่ะเมื่งกี้ไม่เห็นรูปขนาด น, นั้นหรอกจิตนี้ไปคิดทราบไหม ก็ดูจิตเป็นเนี่ยแล้วบอกดูไม่เป็นนะจะตีเลยคือคือถ้าตั้งใจจะดูเนี่ยตั้งใจไม่มีรู้สึกรู้สึกมันจะเป็นภาระอ่ะไม่ไม่ตั้งใจใช้ไม่ได้นะความตั้งใจมันโลภโยมมันทิ้งไปเลยแต่ว่าไม่ทันจะตั้งใจในกิเลสเกิดเนี่ยมันรู้เองอย่างเนี้ยใช้ได้จะเห็นเลยไม่เป็นภาระหรอกแต่ถ้าตั้งใจดูนะเป็นภาระอย่าว่าแต่ตั้งใจดูจิตเลยตั้งใจดูกายก็เป็นภาระะ คือความจงใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะมันไม่สบายหรอกจงใจดูกายก็ไม่สบายจงใจดูจิตก็ไม่สบายเหมือนกันแต่เราถนัดรู้กายเราก็รู้ไปแต่พอจิตเคลื่อนไหวมันเห็นเองเห็นได้เองไม่ใช่ไม่เห็นหรอกจิตไปคิดหรื อ, อยังเดี๋ยให้รู้ทันไปคิดแล้วหน่วงหน่วงไวไหมี ม, มหน่อยเออเออเร า, เาก็รู้เอานะ้ําไปทําอะไรเราก็รู้เอาอย่างเงี้ยเห็นจิตที่เบิกบานไห ม, ไมเห็นเห็นไหมจิตที่ไม่มีน้ําหนัก รู้ตื่นเบิกบานถ้ารู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นนะรู้ซื่อๆไม่ได้เจตนารู้นะจิต ท, ที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานก็เกิดขึ้นเองนะจิต ท, ที่คิดเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าจิตคิดเกิดขึ้นนี่เห็นไหมดูเป็นทําไมจะดูไม่เป็นแต่ไปจงใจดูมันจะไม่มีอะไรให้ดูหรอกรเราะก็แข็งแข็งไปเลยเครียดเป็นภาระไร่สามสิสี่กราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ จิตไม่มีกำลังเลยแล้วก็ไม่ถึงฐานแล้วก็หลวงพ่อเคยบอกว่าให้อดทนมันก็มีแต่โทสะตลอดเวลา ร, <So S 1> รู้ทันไหมคือตอนหลังเนี้ยมันเป็นเหมือนรู้ปนคิดนะคะมันก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันคิดบ้า ก, กว่ารู้หรือเปล่าไม่ไม่รู้ <c oughs> รู้ปนคิดไปก่อนก็ได้นะ แล้วมันก็อยากจะสงบอะค่ะแต่ว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านตลอดเวลามันหาหลายๆวิธีแล้วมันเคยรู้สึกว่าอยู่กับลมหายใจแล้วมันชอบนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เอาอยู่ดีอะค่ะถ้ามันรู้แบบทื่อๆไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะได้หรือเปล่าคะใจมันเบื่อมากไปมันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะไปรู้ลมมันก็เบื่อไม่อยากดูฝืนๆมันก่อนภาวนาดีขึ้นเยอะเลยช่วงเนี้ย มันรู้สึกว่ามันมันถอยหลังไปเรื่อยเรื่แนใ่ใจ <c oughs> ขอบพคุณค่ะพวงดีแล้วไม่รู้ว่าดีนะสังเกตหรือเปล่าใจตอนเนี้มันเกาะโรคไหม <c oughs> มันห่างโลกขึ้นมากไหมมันรู้สึกว่ามันยึดมันยึดกับกับสิ่งที่อยู่ข้างในค่ะยึดกับอารมณ์ยึดกับอะไรยึดตลอดเวลาแต่ข้างนอกมันคลายออกรึไหมดูออกเปล่าดูไม่ออกค่ะไม่ออกก็ช่างช่วยไม่ได้ ภาาวนาดีนะไม่ใช่ไม่ดีภาวนาไปแล้วจะเห็นเลยทั้งหมดนี้มีแต่ทุกข์นะรู้สึกไหมรู้สึกว่าทุกข์แต่คิดว่าเป็นเพราะว่าเรากิเลสมากค่ะเ อ, อจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนะขันนั่นแหละเป็นทุกข์นะไม่ใช่ภาวนาแล้วไม่ทุกนะข์นะขันน่นเป็นทุกข์ดูไปเรื่อยมีแต่ทุกข<อ>์แล้วก็ <ขอ S 1> ใจ<อ>ไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางแค่นั้นแหละที่ทําอยู่ใช้ได้เชฉยละ เบอร์ 50, ห้แต่คนสุดท้ายเบอร์ห้สิบอยู่ไหนกราบนมั ส, ส ก, การหลวงพ่อค่ะจะขอคําแนะนําขั้นเริ่มต้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็ที่นั่งสมาธิมาอยากจะทราบว่ามาถูกทางหรือเปล่าอ่ะอคำแนะนําขั้นเริ่มต้นเริ่มยังไงดีล่ะ <laughs> นั่งสมาธิเหรอใช้อะไรเป็นวิไอเป็นเครื่องอยู่ ก็ดูลมหายใจค่ะแต่ว่าบางทีมันเหมือนหลวมๆไปอะค่ะไม่รู้มันมีความให้รู้ทันนะหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปเช่นหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วรู้สึกไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงนะหายใจแล้วอยากสงบรู้ว่าอยากหายใจแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะเนี่ยว่าเบื้องต้นฝึกอย่างนี้ก็ได้หายใจแล้วรู้ทันจิตนะต่อไปจิตจะสงบนะหายใจแล้วรู้ทันจิตจิตจะสงบขึ้นมา ครูบาอาจารย์ก็สอนนะแต่ก่อนอยากให้พุทโธไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธเฉยๆพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตไว้แต่จิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปรู้สงบเข้ามาพอจิตสงบเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วคอยดูร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตส่วนจิตนี้ค่อยเดินปัญญาต่อนะเราะั้นตอนนี้รู้ลมหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปทําอะไรก็รู้แล้วก็หายใจไปเรื่อยๆ ฝึกตัวนี้ก่อนนะนี่ขั้นเบื้องต้นอยากเรียนขั้นต่อไปไหมเอาเรียนเลยคุยกันเนาะขั้นเบื้องต้นนะหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปนะจิตหนีไปไหนก็รู้จิตทำอะไรก็รู้ขั้นกลางๆนะหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปนะจิตไปไหนก็รู้ทาอะไรก็รู้นะเอาขั้นสุดท้ายด้วยไหม <c oughs> จิตนั่นแหละเป็นใหญ่นะ การภาวนานนั้ถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติถ้าไม่เข้ามาถึงจิตถึงใจยังไม่ได้สาระแก่นสารจริงนะงั้นเราภาวนารู้ทันจิตไว้หัดฟุตโธก็รู้ทันจิตหายใจก็รู้ทันจิตดูท้องพองยุบก็รู้ทันจิตในส่วนเราจะจับเอาจิตขึ้นมาได้จิตมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันจะเห็นใหม่ร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตอยู่ต่างหาง นี่จะเริ่มเห็นอย่างนี้ร่างกายที่พองยุบเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตอยู่ต่างหากค่อยๆแยกออกไปจะแยกขันความสุขความทุกข์ในกายก็อยู่ต่หากูุศลอะกุศลที่เกิดกับจิตก็อยู่ต่างหากเนี่ยขันจะค่อยๆแยกนะแล้วจะไม่มีเราที่ไหนเลยนะลืมจิตยังืลืมจิตหรือยัง <c oughs> มันคิดไปมันลืมจิตไหมเอากลับบ้านไปเชิญ